จเจริญพรท่านผู้มีจิตไฝ่บุญไฝ่กุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบคุณงามความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะมีศรัทธา ความเชื่อในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเหนือกว่าที่พึ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะมีที่พึ่งของพระรัตนตรัยนี้เท่านั้นที่สามารถปกป้องคุ้มครอง จิตใจไม่ให้ทุกข์ได้ไม่ให้ตกต่ำได้สามารถพาจิตใจให้ไปสู่ความเจริญที่เลิศที่ประเสริฐพาไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่มีสารณะอย่างอื่นในโลกนี้ที่จะสามารถทำได้สารณะเช่นเงินทอง ก็เพียงแต่ช่วยดูแลรักษาอัตภาพร่างกายให้อยู่ดีกินดีไปวันวันหนึ่งแต่เวลาที่มีความทุกข์เข้ามากระทบกับจิตใจสรณะคือเงินทองทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะปัดเป่าหรือป้องกันไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามากระทบกับจิตใจได้หรือบุคคลต่างๆ ที่เรายึดถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเช่นพ่อแม่ของเราหรือสามีภรรยาของเราหรือผู้ที่เราอาศัยให้ความสุขให้เงินให้ทองกับเราเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ในกรณีที่ เรามีความทุกข์ใจหรือมีความทุกข์ใจจะเข้ามาเขาก็ไม่ช่วยปัดเป่าหรือกีดกันป้องกันไม่ให้ความทุกข์นั้นเข้ามาสู่ใจของเราได้ดังนั้นไม่ว่าเราจะมีอะไรในโลกนี้มากน้อยเพียงไรสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เป็นสรณะที่แท้จริง เพราะไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่สามารถป้องกันความทุกข์ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราได้มีสระทางศาสนาเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ที่จะทำให้เรานั้นไม่ต้องทุกข์กับอะไรที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองพระคุณของท่านยิ่งใหญ่มากจึงเปรียบเทียบพระคุณของท่านว่าเป็นรัตนะเป็นเหมือนเพชรนินจินดาแต่ความจริงแล้วเป็นเพชรนินจินดาที่มีคุณค่ามากกว่าเพชรนินจินดาที่เรามีกันในโลกนี้เพราะเพชรนินจินดาในโลกนี้ก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆไม่สามารถป้องกันความทุกข์ ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ในจิตใจของเราได้ดังนั้นจึงถือว่าเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้มาเกิดมาพบกับพระรัตนตรยัยและได้มีศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรยัยเพราะเมื่อเรามีความเชื่อแล้วเราจะได้ศึกษาพระรัตนตรัยให้เกิดความเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าพระรัตนตรัยคืออะไรและเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเราจะได้รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสมควรแก่ฐานะของเราเพื่อเราจะได้รองรับประโยชน์อันยิ่งใหญ่นี้ได้ในเบื้องต้นเราจึงต้องศึกษาว่าพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นอะไรคือใครพระพุทธรัตนะไตรก็คือพระพุทธเจ้าที่ตัดสรูโดยชอบด้วยพระ อ, องค์เองทรงกำเนิดขึ้นมาในโลกของมนุษย์นี้เป็นราชโอรสมีพระนามว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหลังจาก อายุได้ประมาณยี่สิบเก้าพรรษาก็ทรงเสด็จออกบวชสละราชสมบัติจากฐานะของราชอารสที่มีความสุขทุกอย่างร อ, รอบๆไปสู่สมณะนักบวชขอทานที่อยู่แบบขอทานอยู่ตามมีตามเกิด สุดแท้แต่จะได้มาจากการบินทะบาตชีวิตจึงเป็นชีวิตที่มีแต่ความทุกข์รอบร้อมอยู่ตลอดเวลาแต่พระองค์ไม่ทรงหวาดกลัวกับความทุกข์ชนิดนี้สิ่งที่พระองค์ทรงหวาดกลัวก็คือความทุกข์ที่ถูกห้อมร้อมด้วยความสุขต่างๆที่ทรงมีอยู่ในพระราชวัง ในพระราชวังพระองค์ทรงมีความสุขรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่กลับมีความทุกข์อยู่กงกลางคือภายในใจความทุกข์ที่ทรงเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆไปไม่ว่าจะ เป็นอะไรจะมีอะไรมากน้อยเพียงไรสักวันหนึ่งก็ต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปจึงมีความทุกข์ความกังวลอยู่ภายในใจท่ามกลางความสุขรอบด้านความสุขทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแต่เนื่องจากมีพระปัญญาทรงเห็นว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ได้เป็นสรณะนะไม่ได้เป็นที่พึ่งไม่สามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาสู่ในใจได้ไม่สามารถปัดเป่าหรือดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้จึงทรงศึกษาค้นคว้าหาวิธีว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้สามารถปัดเป่า ระงับดับความทุกข์ต่างๆได้ก็ทรงทราบว่าต้องเป็นนักบวชเพราะนักบวชนี้เขามีหน้าที่แสวงหาการหลุดพ้นจากการจากความทุกข์ทั้งปวงเขาไม่ต้องการความสุขอย่างปุถุชนอย่างคารวาส ญ, ญาตโยงที่ยังต้องการความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะต้องการความสุขจากข้าวของเงินทอง ต้องการความสุขจากการสรรเสริญเยนยอต้องการความสุขจากการมีตำแหน่งต่างๆมียศถาบรรดาศักดิ์สิ่งเหล่านี้ในสายตาของนักบวชเห็นแล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับการกำจัดความทุกข์ภายในใจสำหรับการป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจ เมื่อทรงศึกษาแล้วจึงสละราชสมบัติมีพระไทยที่กล้ า, าหาญไม่หวายกลัวกับการอยู่แบบขอทานอยู่แบบนักบวชอยู่ตามมีตามเกิดห้อมร้อมไปด้วยความทุกข์ยากลำบากแต่ในใจนั้นมีความหวังมีความปรารถนา เระ่มมีความเชื่อว่าเมื่อได้บวชแล้วและได้ปฏิบัติหน้าที่ของนักบวชแล้วจะได้พบกับสิ่งที่มหัศจรรย์คือพบกับสิ่งที่สามารถทำลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้จึงสละราชสมบัติออกบวชอยู่แบบขอทาน แล้วก็ส่งมุ่งสู่การปฏิบัติรักษาศีลและเจริญภาวนาทําจิตใจให้สงบจนเป็นฌานเมื่อจิตมีความสงบแล้วก็ส่งเจริญปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผลว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์อะไรเป็นเหตุที่ทําให้ความทุกข์นั้นดับไป ส่งพิจารณาไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ส่งค้นพบพระอริยสัจสี่ส่งพบว่าความทุกข์ในใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆและการที่จะทําให้ความทุกข์ในใจนี้ดับไปได้ก็ต้องดับต้องต้องลดละความอยากต่างๆต้องตัดความอยากให้หมดไปเครื่องมือที่จะใช้ในการตัดความอยาก ก็คือการบำเพ็ญมรรคนั่นเองมรรคที่มีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาเมื่อทรงบำเพ็ญทานศีลและภาวนาแล้วในที่สุดก็สามารถกําจัดความอยากให้หมดไปจากใจได้ เมื่อหมดไปจากใจแล้วใจก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะเหตุที่ทำให้ใจทุกข์นั้นถูกทำลายไปหมดเหมือนกับร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจากติดเชื้อโรคเช่นเวลามีไข้หวัดมีเชื้อหวัดเข้ามาพอรับประทานยาเข้าไปแล้วยาเข้าไปทำลายเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกาย พอเชื้อโรคถูกทำลายไปหมดไข้หวัดก็หายไปฉันใดเชื้อโรคของใจก็คือความอยากต่างๆความอยากในกามอยากในอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเมื่อได้กำจัดความอยากทั้งสามนี้ด้วยการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแล้วจิตใจก็ หายจากความทุกข์ทั้งปวงไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไปและไม่ไปแสวงหาความทุกข์ใหม่อีกคือไม่ไปเกิดใหม่อีกแล้วเพราะรู้ว่าถ้าไปเกิดใหม่ก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัดพรากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไม่ปรารถนาที่จะไปเจอความทุกข์แบบนี้อีกจึงไม่ไปเกิดอีกต่อไป นี่คือการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าตัดสรุตรงนี้ตรงที่พระ อ, อริยสัจสีนี้เองเมื่อทรงรู้แล้วพระ อ, องค์ก็มีความเมตตาการุณานำเอาสิ่งที่พระ อ, องค์ทรงรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนจึงปรากฏเป็นพระธรรมคำสอนขึ้นมาเป็นสาระองค์ที่สอง เบื้องต้นก็มีสาระองค์แรกคือพระพุทธรัตนะ์คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพระอรหันต์ระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็ทรงประกาศสอนพระธรรมคำสอนก็เป็นพระรัตน์ไตรองค์ที่สองขึ้นมาพระธรรมคำสอนนี่แหละที่เป็นองค์สำคัญเพราะเป็นเหมือนกับแผน ท, ที่เป็นผู้ชี้ทาง เวลาเราจะเดินทางไปไหนถ้าเราไม่รู้จักทางเราก็ต้องอาศัยแผนที่อาศัยป้ายบอกทางขับรถไปเราก็ต้องคอยดูป้ายพอเห็นป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายบอกให้เลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวขวาบอกให้ตรงไปเราก็ตรงไปจนในที่สุดเราก็ได้ถึงเป้าหมายที่เราปรารถนากันได้ เราจึงต้องศึกษาพระธรรมคำสอนต้องฟังเทศฟังธรรมและต้องมีความเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงล้วนๆไม่ต้องสงสัยสิ่งใดที่เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นไม่ต้องไปกังวลขอให้เชื่อไว้เชื่อไว้แล้วปฏิบัติตาม พระธรรมคำสอนโดยย่ ork, อก็สอนให้ทาดีให้ละบาปให้กำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจนี่คือข้อสรุปของพระธรรมคำสอนขอให้เราเชื่อไม่ต้องกังวลว่าทำไปแล้วจะได้ผลดังที่ทรงตรัสสอนไว้หรือไม่นรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่ การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องสงสัยมีแน่ๆสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเป็นสิ่งที่เป็นความจริงทั้งนั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่อยู่ตรงที่ไปมีความสงสัยหน้าที่ของเรามีอยู่ตรงที่เชื่อมีศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติตามเหมือนกับบุคคลในอนดีตที่ผ่านมา ที่เชื่อที่ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติทําตามตา ม, ตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนทุกประการจนปรากฏเป็นพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นมาเป็นจนํานวนมากนี่นี่คือรัตนตรัยองค์ที่สามเกิดขึ้นจากการเชื่อพระธรรมคําคสอนเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพระธรรมคําคสอน จากคนธรรมดาผุ้ตุชนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านกลายเป็นพระอริยสงสารวกขึ้นมามีจำนวนมากมายมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งนักบวชและขัาวา่ามีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพราะการเป็นพระอริยสงฆ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่นักบวชเพียงอย่างเดียว ผู้ที่จะบรรลุเป็นพระ อ, อริยสงฆ์สาวกได้นั้นอยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเท่านั้นถ้าทำดีละบาปกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจก็จะสามารถบรรลุเป็นพระ อ, อริยสงฆ์สาวกได้นี่คือความหมายของพระ อ, อริยสงฆ์สาวกไม่ได้หมายถึงนักบวชอย่างเดียว เพราะนักบวชนี้ก็มีทั้งนักบวชที่เป็นพระอริยะและเป็นปุถุชนธรรมดาเพราะการบวชเฉยๆไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้กลายเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาการโกนหัวห่วมผ้าเหลืองนี้ไม่ทำให้คนกลายจากปุถุชนมาเป็นพระอริยสงฆ์ได้คนที่จะเป็นอริยสงฆ์ได้ต้องทำดีละบาป กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเท่านั้นถึงจะเป็นพระอาริยสงสาวกได้ดังนั้นผู้ที่ไม่ได้เป็นนักบวชก็ไม่ต้องไปคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุเป็นพระอาริยสงสาวกได้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นอยู่ที่การศึกษาเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่อื่น ถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรับรองได้ว่าจะมีการบรรลุเป็นพระอาริยสงสาวกได้ด้วยกันทุกคนต่างกันตรงที่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองถ้าเป็นคารวะอาจจะช้าเพราะว่ามีภารกิจอย่างอื่นต้องไปทำมีงานมีการมีสามีมีภรรยามีลูก ต้องคอยดูแลก็จะหมดเวลาสส่วนใหญ่ไปกับการกับภารกิจต่างๆเหล่านี้ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาได้ศึกษาได้ปฏิบัติเท่าที่ควรไม่เหมือนกับนักบวชที่ไม่มีภารกิจต่างๆเหมือนกับคารวาะมีเวลาว่างที่จะศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ นักบวชจึงมีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกได้เร็วกว่าและได้มากกว่าฆราวาสทั่วๆไปแต่ถ้านักบวชบวชแล้วไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติต่อให้บวชไปจนวันตายก็ไม่สามารถบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกได้ก็จะเป็นเพียงแต่สมมุติสง คือเขาสมมุติเรียกว่าเป็นสงเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเท่านั้นเองแต่ใจนั้นไม่ได้เป็นอริยสงฆ์ตามที่เขาสมมุติกันเขาเรียกกันนี่คือความหมายของสังธรัตนะองค์ที่สาอยู่ตรงที่ใจของผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนได้บรรลุปเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาเป็นได้ทั้งฆราวาสและนักบวชเป็นได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการศึกษาและปฏิบัติเหมือนกับไปโรงเรียนสมัยนี้สามารถเรียนจบปริญญาตรีโทเอกได้ด้วยกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่ตรงเพศอยู่ตรงวัยแต่อยู่ที่การศึกษาริ่มเรียนเท่านั้นนี่คือพระรัตนตรัยที่พวกเรายึดถือเป็นสาระเป็นที่พึ่งเราควรที่จะนำลึกถึงพระสระาระธรรมสามนี้อยู่เรื่อยๆเพราะจะทำให้ศรัทธาของเรา มีความแก่กล้าไม่หวั่นไหวเวลาที่เราเห็นอะไรที่มากระทบกับศรัทธาของเราเช่นเราเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไม่บำเพ็ญตนสมควรต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้แยกแยะได้ว่าไม่ได้เป็นความผิดของศาสนาแต่เป็นความผิดของผู้ที่มาเกี่ยวข้องเอง ศาสนานี้ไม่มีอะไรบกพร่องเลยมีแต่ความดีครบถ้วนร0อยเปอร์เซ์สิ่งที่บกพร่องก็คือผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับศาสนาไม่ว่าจะเป็นนักบวชนึกคารวะแทนที่มาบวชแล้วจะมาปฏิบัติชำระกิเลสความโลภความโกรธความหลงกลับมาหาสแสวงหาประโยชน์จากศาสนาด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลง เราเห็นคนอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเราก็อย่าไปท้อแท้อย่าไปกังวลเพราะว่ามันจะทําให้เราเสียหลักถ้าเราเสียศรัทธาเมื่อไหร่แล้วเราจะหมดโอกาสที่เราจะตักตวงประโยชน์จากพระศาสนาได้เราจึงต้องเข้าใจต้องแยกแยะออกจากกันว่า คนที่มาเกี่ยวข้องกับพระศาสนานี้มีหลายจําพวกด้วยกันพวกที่มาเกี่ยวข้องด้วยความศรัทธาจริงๆเพื่อปฏิบัติตามจริงๆก็มีพวกที่มาเกี่ยวข้องแต่ไม่ศรัทธาจริงๆไม่ปฏิบัติจริงๆเพราะถูกอำนาจของความโลภความโกรธความหลงครอบงาจิตใจทำให้ประพฤติตนเอง ไม่เหมาะไม่สมกับการเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ต้องมีความเมตตาสงสารต้องรู้จักให้อภัยอย่าไปโกรธอย่าไปทอดแท้เราต้องพยายามคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระอริยสงสมเหรอว่าท่านเป็นตัวอย่างที่แท้จริงของเรา คนอื่นไม่ใช่เป็นตัวอย่างของเราดังที่สงสอนให้ยึดหลักว่าสาระอื่นนิ้ไม่มีสาระของเรามีเพียงพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถ้าจะมองใครเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับก็ขอให้มองไปที่พระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปมองที่ตาสีตาสาอย่าไปมองที่คนนั้นคนนี้ เพราะเขายังไม่ได้เป็นผู้ประเสริฐนั่นเองเขายังมีความโลภครอบงำหัวใจของเขาอยู่เขาย่อมกระทําตามความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูเลยแต่เราอย่าให้มันมากระทบกับศรัทธาของเราเราต้องรักษาศรัทธาของเราให้แน่วแน่คิดเสียว่าเหมือนกับการเดินทาง คนที่เดินทางตามแผนที่ตามป้ายบอกทางย่อมไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนส่วนคนที่ไม่เดินตามแผนที่ไม่เดินตามป้ายบอกทางเขาย่อมไปไม่ถึงแผนที่ก็มีเท่านั้นเองเราไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปกังวลอะไรกับเขาไม่จำเป็นจะต้องให้เขามาทําให้เราเสื่อมศรัทธาขึ้นมา ถ้าเราลำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆถ้าเราเข้าใจหลักของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นอย่างไรแล้วเราจะไม่มีปัญหากับการประพฤติการปฏิบัติของคนอื่นคนอื่นเขาจะว่าเขาเป็นอริยสงฆ์เขาจะเป็นผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบอย่างไรก็ไม่สำคัญอยู่ที่คำพูด สำคัญอยู่ที่การปฏิบัติของเขาถ้าเขาพูดอย่างแต่ทำอีกอย่างเราผู้มีการศึกษาเรารู้ว่าการปฏิบัติ ด, ดีการปฏิบัติชอบนั้นเป็นอย่างไรเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรเราจะได้ไม่ต้องถูกเขาหลอกไปแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจถึงหลักของพระพุทธพท่อธรรมพ่สง เราจะเป็นคนถูกเขาหลอกอยู่เรื่อยๆนังที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆหลงเชื่อพระองค์นั้นเชื่อองค์นี้แล้วในที่สุดพระองค์นั้นพระองค์นี้ก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาประพฤติตนเองไม่สมแก่ฐานะของตนจนถูกจับสึกไปก็มีเป็นจํานวนมากแต่เนื่องจากคนที่ไปเชื่อ นั้นไม่มีหลักของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นอย่างไรนั่นเองเห็นเขาว่าดีก็หลงเชื่อตามเขาเห็นเขาว่าองค์นี้เส็เก่งดูแม่นดูหวยแม่นรักษาโรคให้หายได้ก็เห่ไปหาเขาแต่หารู้แม่ว่าเขาไม่ได้เป็นอาริยสงฆ์ไม่ได้เป็นสารณะที่พึ่งทางใจ เพราะที่พึ่งทางใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้สอนไปที่การหยุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นไม่ได้สอนให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้มาเป็นหมอรักษาโรคไม่ได้เป็นหมอดูทำนายทายทักต่างๆไม่ได้มาแก้ความซวยแก้บาปต่างๆเพราะบาปแก้ไม่ได้ความซวยแก้ไม่ได้ มันเป็นผลที่เกิดจากการกระทำบาปต่างหากถ้าไม่อยากพบกับบาปกรรม ว, วิบากของกรรมก็อย่าไปทำบาปทำกรรมพยายามหลีกเลี่ยงเช่นอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปฏดมดเทศเสพสุรายาเมาถ้าละเว้นได้ความวิบากกรรมต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น ศาสนาที่พึ่งของเรานี้พึ่งตรงเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางด้านจิตใจเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาสอนมาประกาศว่าทำให้เรารวยได้ทำให้เรามีตำแหน่งสูงๆได้ทำให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทำให้เรามีอายุยืนยาวนานได้อย่างนี้ไม่ใช่เป็น พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นรัตนะไตรรัตนะไตรน้สอนที่การหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นสอนที่หลักกรรมเท่านั้นสอนให้เชื่อหลักกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปสอนให้ทําบุญให้ละบาปสอนให้กำจัดความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นนี่คือรัตนะไตรเป็นอย่างนี้ ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วเราจะได้ไม่หลงไม่หลงตามคนอื่นเวลาคนอื่นชวนให้เราไปลอดใต้โบสถ์ให้เราไปนอนในโลงศพก็ไม่ต้องไปให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรคนเราถึงเวลาจะต้องพบกับเข้อกรรมต่างๆก็ต้องเจอมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าทำกรรมมาแล้วมันก็ต้องมีผลกรรมตามมาเป็นธรรมดาถ้าไม่ได้ทำกรรมแล้วมันก็ไม่มีผลของกรรมตามมามันอยู่ตรงนี้เท่านั้นนี่คือหลักของพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรยัยอยู่ตรงหลักกรรมจึงขอให้เราพยายามดำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆเพราะจะทำให้เราไม่หลงทางจะทำให้เรา ยึดมั่นต่อการทำความดีละบาปและกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจนี่คือที่พึ่งที่แท้จริงของเราจึงขอให้เรามีความเชื่อมั่นมีความแน่วแน่มั่นคงต่อที่พึ่งอันนี้แล้วเราจะได้ไปสู่ที่ดีต่อไปไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง จึงขอฝากเรื่องการมาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระอริยสงสาวกขอให้ท่านนำไปปฏิบัติแล้วประโยชน์สุขต่างตายจะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีรัตนตรัยมีพระพุทธประธานพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายแค็งแกราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเทอ